ทเสหตุกันติคาถาว่าด้วยรูปมีเหตุเจร้อยห้าสิเจ็ดสอกูรูปมีเหตุใช่ไหมปอรใช่ยสอกูรูปมีอโลภะเหตุใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกูรูปมีเหตุโดยเหตุคืออโทสะโดยเหตุคืออโมหะโดยเหตุคือโลภะโดยเหตุคือโทสะโดยเหตุคือโมหะใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรูปมีเหตุใช่ไหมปรใช่สกรูปรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรูปรับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจไม่ใช่หรือปรใช่สกหากรูปรับรู้อารมณ์ไม่ได้ ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ารูปมีเหตุเจ็้อยห้าสิบแปดสกอารมภาพมีเหตุรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรใช่สกรูปมีเหตุรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปร ไ, ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสนก อาโทสะเป็นไปกับเตดอโมหะสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาโลภะโทสะโมหะมานะทิฐิวิจิกิจจาถีนะอุทจจะอหิริกะอโนต ป, ปะมีเหตุรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปอรอรใช่สกรูปมีเหตุ รับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรูปมีเหตุแต่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรใช่สกอารมภาพมีเหตุแต่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก รูปมีเหตุแต่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปอรอใช่สอกอาโทสะมีเหตุอโนตปะมีเหตุแต่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็ดรอ้อยห้าสิบเก้าปรท่านไม่ยอมรับว่ารูปมีเหตุใช่ไหมสอกอใช่ ปร spill, รูปมีปัจจัยไม่ใช่หรือสอกใช่ปรหากรูปมีปัจจัยดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ารูปมีเหตุรูปบางจะเหตุตุกันเตกถาจบ7รูปบางกุศลากุสลันติกถาว่าด้วยรูปเป็นกุศลและอกุศลเจ็้อยหกสิบสกรูปเป็นกุศลใช่ไหม ปรใช่สกรูปรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรูปรับรุ้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรใช่สกหากรูปรับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึ ง, ไ ม, มมถงไม่มีความตั้งใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ารูปเป็นกุศล76็อ สอก อ, อโลภาเป็นกุศลรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรใช่สกรูปเป็นกุศลรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอก อ, อโทสะเป็นกุศลอมโมหะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นกุศลรับรู้อารมณ์ได้ มีความนึกถึงมีความตั้งใจ mm? ใช่ไหมป nah รใช่สกรูปเป็นกุศลรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรูปเป็นกุศลแต่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรใช่สก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 หากรูปรับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ารูปเป็นอกุศลเจ็ดร้อยหกสิบสามสกโลภะเป็นอกุศลรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรใช่สกรูปเป็นอกุศลรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น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 ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็ดร้อยหกสิบสี่ปรท่านไม่ยอมรักว่ารูปเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีใช่ไหมสกใช่ปรกายกรรมวจีกรรมเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีไม่ใช่หรือสอกใช่ปรหากกายกรรมวจีกรรมเป็นกุศลก็มี เป็นอกุศลก็มีดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ารูปเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีรู ป, ปังกุศลากุสลันติกถาจบ8รู ป, ปังวิปา ก, กติกถาว่าด้วยรูปเป็นวิปากเจ็ดร้อยหสิห้าสกรูปเป็นวิปากใช่ไหมบรอใช่สกรูปมีสุขเวทนา มีทุกขเวทนามีอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยส ok ุขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยผัสสาวะสัมปยุทธ์ด้วยจิตรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรูปไม่มีสุขเวทนาไม่มีทุกขเวทนารับรู้อารมณ์ไม่ได้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 มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรใช่สกรูปเป็นวิปากมีสุขเวทนามีทุกขเวทนารับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรูปเป็นวิปากไม่มีสุขเวทนาไม่มีทุกขเวทนารับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหม ปอรอใช่สพพัรษะเป็นวิบากไม่มีสุขเวทนาไม่มีทุกขเวทนารับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ7ปอปรอท่านไม่ยอมรับว่ารูปเป็นวิบากใช่ไหมสกใช่ปอรอสภาวะธรรมคือจิตและเจตสิก ที่เกิดขึ้นเพราะได้มีการทำกรรมไว้เป็นวิบากไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรหากสภาวะธรรมคือจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นเพราะคนได้มีการทำกรรมไว้จึงเป็นวิบากดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ารูปที่เกิดขึ้นเพราะได้มีการทำกรรมไว้เป็นวิบากรู ป, ปัางวิปากโกรติกรถาจบ๙ รูปังรูปาวัจรารูปาวัจรันติกระถาว่าด้วยรูปเป็นรูปาวัจรและรูปาวจรเจ้สกรูปที่เป็นรูปาวัจรมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกรูปเป็นเครื่องแสวงหาสมาบัตเป็นเครื่องแสวงหาอุบัตเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสหรคตเกิดร่วมรักคนสมปยุต เกิดพร้อมกัน <volcano> ดับพร้อมกันมีวัตถุอย่างเดียวกันมีอารมณ์อย่างเดียวกันกับจิตดวงที่เป็นเครื่องแสวงหาสมาบัติดวงที่เป็นเครื่องแสวงหาอุบัติดวงที่เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอรูปไม่เป็นเครื่องแสวงหาสมาบัติไม่เป็นเครื่องแสวงหาอุบัติไม่เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสหรคตเกิดร่วมรัคนสัมพยุต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 ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ารูปที่เป็นรูปราวจรมีอยู่เจ๊อ้อยหกสิบเก้าสกรูปเป็นอรูปราวจรมีอยู่ใช่ไหมป ร, รใช่สกรูปเป็นเครื่องสแสวงหาสมาบัตเป็นเครื่องสแสวงหาอุบัติเป็นเครื่องอยู่เป็นสุกในปัจจุบันสหรคตเปิดร่วม ร, ระคนสัมปยุษเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีวัตถุอย่างเดียวกัน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 หากรูปไม่เป็นเครื่องแสวงหาสมาบัติไม่เป็นเครื่องแสวงหาอุบัติมีวัตถุอย่างเดียวกันมีอารมณ์อย่างเดียวกันท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ารูปเป็นอรูปราวจรมีอยู่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบปอรท่านไม่ยอมรับว่ารูปเป็นรูปบาวจรก็มีเป็นรูปราวจรก็มีใช่ไหมสอกอใช่ปอรรรูปชื่อว่าเป็นกามรมาวจร เพราะบุคคลได้ทำกรรมที่เป็นกลามอวจรไว้ไม่ใช่หรือสกใช่ปรหากรูปชื่อว่าเป็นกลามอวจรเพราะบุคคลได้ทำกรรมที่เป็นกลามอวจรไว้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ารูปชื่อว่าเป็นรูปาวจรเพราะบุคคลได้ทำกรรมที่เป็นรูปบาวจรไว้รูปชื่อว่าเป็นอรูปาวจรเพราะบุคคลได้ทำกรรมที่เป็นอรูปาลวจรไว้ รูปังรูปาวจรารูปาวจรันติกถาจบส0รูปราโครูปธาตุปริยาปโนติอาธิกถาว่าด้วยรูปราคะนับหนึ่งในรูปธาตุเป็นต้นเจ็ดร้อยเจสอ็กรูปาราคะนับหนึ่งในรูปธาตุใช่ไหมปอรอใช่สอกรูปราคะเป็นเครื่องสว่งหาสมาบัติ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 ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ารูปปราคะนับเนื่องในรูปปะทธา772สกรูปปราคะนับเนื่องในรูปปะท่าใช่ไหมปรใช่สกสัทธราคะนับเนื่องในสัทธาธาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรูปราคะนับเนื่องในรูปปัท่าใช่ไหมปรใช่สกคันธราคะ รัาราคะโพธภราคะนับเนื่องในโพธพทธาใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกัทธราคะท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในศัทธธาใช่ไหมปอรอใช่สอกร well ูปราคะท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในรูปธาใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกคันธราคะรัศราคะโพธภราคะ ท่านม่ยอมรับว่านับเนื่องในโพธิพัทธาใช่ไหมปรใช่สกรูปราคะท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในรูปปัทธาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น773สกอรูปปาราคะนับเนื่องในอรูปปัทธาใช่ไหมปรใช่สกอรูปปาราคะท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในอรูปปัทธาใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก อ, อรูปราคะนับเนื่องในอรูปธาตุใช่ไหมปรใช่สก อ, อรูปราคะเป็นเครื่องแสวงหาสมาบัตเป็นเครื่องแสวงหาอุบัติเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสหรคตเกิดร่วมรัคนสัมประยุตเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีวัตถุอย่างเดียวกันมีอารมณ์อย่างเดียวกันกันกบจิต ด, ดวงที่เป็นเครื่องแสวงหาสมาบัต ดวงที่เป <sm ็นเครื่องแสวงหาอุบัติดวงที่เป็นเครื่องอยู <S <S ่เป็นสุขในปัจจุบันใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอรูปราคะไม่เป็นเครื่องแสวงหาสมาบัติไม่เป็นเครื่องแสวงหาอุบัติไม่เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันมีวัตถุเป็นอันเดียวกันมีอารมณ์เป็นอันเดียวกันกับจิตดวงที่ไม่เป็นเครื่องแสวงหาสมาบัติไม่ใช่หรือปอรอใช่สกอ หากอารูปราคะไม่เป็นเครื่องแสวงหาสมาบัติไม่เป็นเครื่องสแสวงหา uh อุบัติไม่เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสห uh รคตเกิดร่วมรัคนสัมปยุตเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีวัตถุอย่างเดียวกันมีอารมณ์อย่างเดียวกันกับจิตดวงที่ไม่เป็นเครื่องแสวงหาสมาบัติดวงที่ไม่เป็นเครื่องสแสวงหาอุบัติดวงที่ไม่เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า <inee> อรูปราคะนับหนึ่งในอรูปธาตุเจ็ดร้อยจ็สิบสี่สกอรูปราคะนับหนึ่งในอรูปธาตุใช่ไหมปอรใชัยสกสัทธราคะนับหนึ่งในสัทธธาตุใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอรูปราคะนับหนึ่งในอรูปธาตุใช่ไหมปอรใชัยสกคันธราคะรสราคะ โพธภะราคะนับหนึงในโพธภะธาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัทภราคะท่านไม่ยอมรับว่านับหนึ่งในสัทธาใช่ไหมปรใช่สกอรูปราคะท่านไม่ยอมรับว่านับหนึงในอรูปธาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกคันธราคะรสราคะโพธภะราคะ ท่านไมยอมรับว่านับหนึ่งในโพธิพธาใช่ไหมปรใช่สกอรูปราคะท่านนิยอมรับว่านับหนึในอรูปธาติใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น775ปรท่านไม่ยอมรับว่ารูปราคะนับหนึ่งในรูปธาติอรูปราคะนับหนึ่งในอรูปธาติใช่ไหมสกใช่ปร การมราคะนับหนึ่งในการมทาตไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรหากการมราค a นับหนึ่งในการมทานดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ารูปประรา k a นับหนึ่งในรูปธาตุอรูประระนับหนึ่งในอรูปธาตุรูปประรโครูปธาตุปริยาปันโนติอาทิกถาจบโละสลสมวักจบ รวมกรถาที่มีในวรักนี้คือ 1. นึ่งะกถา 2. ปักฆะกระถา 3. สุขานุปทานกกถา 4. อาธิไัยะหะนาชการรกถา 5. รูปังเหตุติกถา 6. รูปังเสเหตุตุกันติกรถา 7. รูปังกุศลากุศลันติกรถา 8. รูปังวิปากูติกรถา9 รูปังรูปาวัจรารูปาวัจรันติกถาสิบรูปราโครูปธาตุปริยาปันโนติอาทิกรถาสิบเจ็ดสัตตะระสมวัปหนึ่ง อติอรหะโตปุญญปัจโยติกถาว่าด้วยพระอรหันต์มีการสั่งสมบุญเจ็ร้อเจ็ดสิกสกพระอรหันต์มีการสั่งสมบุญใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์มีการสั่งสมบาปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันต์ไม่มีการสั่งสมบาปใช่ไหมปรใช่สก พระอระหันต์ไม่มีการสั่งสมบูรณ์ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น777สกพระอระหันต์มีการสั่งสมบูมรณ์ใช่ไหมปรอใช่สกพระอระหันต์สร้างสมบุญญาพิสังขารอเนชชาพิสังขารทำกรรมที่เป็นไปเพื่อคติเพื่อพบเพื่อความเป็นผู้มีอำนาจเพื่อความเป็นใหญ่ในแผ่นดินเพื่อมีสมบัติมาก เพื่อมีบริวารมากเพื่อความงามในหมู่เทพเพื่อความงามในมนุษย์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบปดสกพระอรหันต์มีการสั่งสมบูรณ์ใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์ยังสังสมอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันต์ไม่สั่งสมใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกพระอรหันต์ละพระอรหันต์ยังยึดมั่นพระอรหันต์ยังกําจัดอยู่พระอรหันต์ยังก่ออยู่พระอรหันต์ยังทําลายอยู่พระอรหันต์ยังปรับปรุงอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันต์สังสมอยู่ก็ไม่ใช่ไม่สังสมอยู่ก็ม่ใช่แต่เป็นผู้ไม่สังสมแล้วดํารงอยู่ใช่ไหมปรใช่สก พระอรหันต์สั collect, ่งสมอยู่ก็ไม่ใช er ่ไม่สั่งสมอยู่ก็ไม่ใช่แต่เป็นผู้มีสั่งสมแล้วดำรงอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์มีการสั่งสมบุญสกพระอรหันต์ละอยู่ก็ไม่ใช่ยึดมั่นอยู่ก็ไม่ใช่แต่เป็นผู้ละแล้วดำรงอยู่กําจัดอยู่ก็ไม่ใช่ก่ออยู่ก็ไม่ใช่แต่เป็นผู้กําจัดแล้วดำรงอยู่ทําลายอยู่ก็ไม่ใช่ปรับปรุงอยู่ก็ไม่ใช่ แต่เป็นผู้ทําลายแล้วดำรงอยู่ไม่ใช่หรือปอรอใช่สกหากพระอรหันต์ทาลายอยู่ก็ไม่ใช่ปรับปรุงอยู่ก็ไม่ใช่แต่เป็นผู้ทําลายแล้วดำรงอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์มีการสั่งสมบุญ779ปอรอพระอรหันต์ไม่มีการสั่งสมบุญใช่ไหมสกใช่ปอรอ พระอรหันยังให้ทานใช่ไหมสกใช่ปรหาพระอรหันยังให้ทานท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันไม่มีการสั่งสมบุญปรพระอรหันยังถวายจีวรบินทบาศเสนาชนะคีลานปัจจัยเพศัตว์ริขารของเคี้ยวของบริโภคน้ําดื่มยังไหว้พระเจดีย์ยังยกดอกไม้ของหอม เครื่องลูปไล้ขึ้นไว้บนพระเจดีย์ยังทำประทักษิณพระเจดีย์ใช่ไหมสกใช่ปรอหากพระอรหันยังทำประทักษิณพระเจดีย์ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันไม่มีแฟนสังสมบุญอติ อ, อระหะโตปุญญาปั จ, จโยติกระถาจบสองนาติอระหะโตอากาละมัจูติกถา ว่าด้วยพระอรหันต์ไม่มีอากาและมรณะเจ0ปสิกพระอรหันต์ไม่มีอากาและมรณะใช่ไหมปรใช่สกผู้ฆ่าพระอรหันต์ไม่มีใช nice. ่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกผู้ฆ่าพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์ไม่มีอากาและมรณะใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันต์ไม่มีอาการและมรณะใช่ไหมปรใช่สกบุคคลปรองชีวิตพระอรหันต์ได้เมื่อยังมีอายุเหลืออยู่หรือปรองชีวิตได้เมื่อหมดอายุใช่ไหมปรปรองชีวิตได้เมื่อยังมีอายุเหลืออยู่สกหากบุคคลปรองชีวิตได้เมื่อยังมีอายุเหลืออยู่ ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์ไม่มีอาการและมรณะสกบุคคลปรองชีวิตพระอรหันต์ได้เมื่อหมดอายุเพราะเหตุนั้นผู้ฆ่าพระอรหันต์จึงไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจร้อยแปดสิบเอ็ดสกพระอรหันต์ไม่มีอาการและมรณะใช่ไหมปรใช่สกยาพิษศาสตร์ไฟ La ไม่พ primary, mild, ึงเคลื่อนกลายเข้าไปในร่างกายของพระอรหันต์ได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกยาพิษศาสตร์ไฟพึงเครื่อนกลายเข้าไปในร่างกายของพระอรหันต์ได้มิใช่หรือปรใช่สกหากยาพิษศาสตร์ไฟพึงเคลื่อนกลายเข้าไปในร่างกายของพระอรหันต์ได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์ไม่มีอาการและมรณะสก ยาพิษศาสตราไฟไม่พึงกล้อมกลายเข้าไปในร่างกายของพระอรหันต์ใช่ไหมปรใช่สกผู้ฆ่าพระอรหันต์ไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็้อปสองปรพระอรหันต์มีอาการและมรณะใช่ไหมสกใช่ปรพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลาย เราจะไม่กล่าวกรรมที่สัตว์มีเจตนาทำไว้สั่งสมไว้ว่าสิ้นสุดเพราะยังไม่สวยผลก็ผลนั่นแหละสัตว์ต้องสวยในอัตภาพนี้ในอัตภาพถัดไปหรือในอัตภาพต่อต่อไปมีอยู่จริงมิใช่หรือสอกอใช่ปรดังนั้นพระอรหันต์จึงไม่มีอาการละมรณะนัตติอรหะโตอาการละมจูติกระถาจบ สรสัพพนิทังกรรมโตติกรถาว่าด้วยสิ่งทั้งปวงนี้เป็นไปเพราะกรรมเจ3ออ้อยแปดสสกสิ่งทั้งปวงนี้เป็นไปเพราะกรรมใช่ไหมปรใช่สอกอแม้แต่กรรมเองก็เป็นไปเพราะกรรมใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอสิ่งทั้งปวงนี้เป็นไปเพราะกรรมใช่ไหมปรใช่ สกสิ่งท <t c Reading> ั <outgoing> 네้งปวงนี้เป็นไปเพราะเหตุที่ทำไว้ก่อนใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสิ่งทั้งปวงนี้เป็นไปเพราะกรรมใช่ไหมปรอใช่สกสิ่งทั้งปวงนี้เป็นไปเพราะวิบากของกรรมใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็ดร้อยแปดสิบสี่สกสิ่งทั้งปวงนี้เป็นไปเพราะวิบากของกรรมใช่ไหมปรอใช่ สกปานาติบาตมีผลใช่ไหมปรใช่สกกรรมวิบากมีผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกรรมวิบากไม่มีผลใช่ไหมปรใช่สกปานาติบาตไม่มีผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลพึงพพทท ร, พรักทรัพย์พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อตัดช่องย่องเบาปล้นสดมปล้นเรืนหลังเดียวดับปล้นในทางเปลี่ยวผิดพัญญาผู้อื่นปล้นชาวบ้านปร้นชาวนิคมพึงถวายทานจีวรบินทบาทเสนาสนะคีฬานปัจจัยเพศสัตว์บริขารเพราะวิบากของป ร, รมใช่ไหมปรใช่สกกีฬานปัจจัยเพศสัตบริขารมีผลใช่ไหมปรใช่ สกกรรมวิบากมีผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกรรมวิบากไม่มีผลใช่ไหมปรใช่สกคีลานปัจจัยเพศบริการไม่มีผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น785ปรท่านไม่ยอมรับว่าสิ่งทั้งปวงนี้เป็นไปเพราะกรรมใช่ไหมสกใช่ ปรพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหมู่สัตว์เป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องผูกพันเปรียบเหมือนรถมีหมุดเป็นเครื่องตรึงไว้แล่นไปอยู่ฉชนั้นบุคคลได้เกียรติความสรรเสริญความเสื่อมการถูกฆ่าและการถูกจองจำก็เพราะกรรมบุคคลทราบชัดกรรมนั้นที่ทาให้ต่างกันได้ ชนไหนเล่าจะเพิ่งกล่าวว่ากรรมไม่มีในโลกมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรดังนั้นสิ่งทั้งปวงนี้จึงเป็นไปเพราะกรรมสัรพมิทังกรร ม, มะโตติกระถาจบสอินทรียพัทธกระถาว่าด้วยสิ่งที่เนื่องด้วยอินสีเจ็ดร้อยแปดสิบหกสก สิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์เท่านั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมปรใช่ redesign. สกสิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์เท่านั้นไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแตง่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้สสน variable. สกนสิ่งที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแตง่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรผันไปเป็นธรรมดาไม่ใช่หรือปอรอใช่สกหากสิ่งที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรผันไปเป็นธรรมดาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์เท่านั้นเป็นทุกสก สิ่งที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาแต่สิ่งนั้นไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมปรใช่สกสิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งมีความแปร <nombre TIM S 2> ผันไปเป็นธรรมดาแต่สิ่งนั้นไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่ง มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาแต่สิ่งนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมปรใช่สกสิ่งที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาแต่สิ่งนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดกสิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์เท่านั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมปรใช่สก พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์ก็ไม่เที่ยงไม่ใช่หรือปอร ör. ใช่สกหากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์ไม่เที่ยงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์เท่านั้นเป็นทุกข์เจร้อยแปดสิบแปดปรท่านไม่ยอมรับว่า สิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์เท่านั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมสกใช่ปรบุคคลอยู่รพระพฤติพรหมจรรย์นในสำนักของพระผู้มีพระภาคเพื่อกำหนดรู้ทุกข์ที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์เหมือนกำหนดรู้ทุกข์ที่เนื่องด้วยอินทรีย์ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรทุกข์ที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์ที่พระอริยะกำหนดรู้แล้วย่อมไม่เกิดขึ้นอีก เหมือนทุกที่เนื่องด้วยอินรีย์ที่พระอริยะกําหนดรู้แล้วย่อมไม่เกิดขึ้นอีกใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้นสิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์เท่านั้นจึงเป็นทุกอินทริยพัทธกถาจบห้าถเปตวาอริยะมักคันเตกถาว่าด้วยการยกเว้นอริยะมะักเจ็ร้อยแปสิบเก้าสกยกเว้นอริยะมะัก สังขารที่เหลือเป็นทุกข์ใช่ไหมปรใช่สกแม้ทุกขะสมุทัยก็เ ป, ป็นทุกข์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกแม้ทุกขะสมุทัยก็เป็นทุกข์ใช่ไหมปรใช่สกอริยสัจมีเพียงสามอย่างเท่านั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอริยสัจมีเพียงสามอย่างเท่านั้นใช่ไหมปรใช่ สอก อ, อริยสัตยพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้สี่อย่างคือหนึ่งทุกสองทุกขสมุมทัยสามทุกขนิโรธสทุกขานิโรธคขาไม่มีปฏิปทามิใช่หรือปอรใชัยสกอหากอริยสัตยพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้สี่อย่างคือหนึ่งทุกสองทุกขสมุมทัยสามทุกขานิโรธสทุกขานิโรธคขาไม่มีปฏิปทา ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอริยสัจมีเพียงสามอย่างเท่านั้นสกแม้ทุกขะสมุทัยก็เป็นทุกข์ใช่ไหมปรใช่สกโดยความหมายว่าอย่างไรปรโดยความหมายว่าไม่เที่ยงสอก อ, อริยมรรคไม่เที่ยงใช่ไหมปรใช่สอก อ, อริยมรรคเป็นทุกข์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก อ, ร, อริยมรรคไม่ทมเมที่ย ง, ย แ, ตงแต่อริยมรรคนั้นไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมปรใช่สกทุกขสมุทัยไม่เที่ยงแต่อริยมรรคนั้นไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกทุกขสมุทัยไม่เที่ยงแต่อริยมรรคนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมปรใช่สกอาริยมรรคไม่เที่ยงแต่อริยมรรคนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น เจ็ดร้อเก้าสิบปรท่านไม่ยอมรับว่ายกเว้นอริยมรกสังขารที่เหลือเป็นทุกข์ใช่ไหมสกใช่ปรอาริยมรัสเป็นทุกข์นิโรทคาไม่มีปฏิปทามิใช่หรือสอกอใช่ปรหากอริยมรัสเป็นทุกข์นิโรทคาไม่มีปฏิปทาดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ายกเว้นอริยมรกสังขารที่เหลือเป็นทุกข์ ทาเปตวาอาริยมะคคันติกะถาจบ